ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่รลวงรพูพทธิญาณใ น, นวันนี้คงเป็นการตอบคำถามต่อไปจันถามว่าสำนักสงฆ์ทั่วไปผู้เป็นวัดที่อยู่ได้หรือไม่พราะมีที่อยู่แล้วพัฒนาไม่ได้ดีเท่าที่ควร คือบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังคมในท้องถิ่นตรงนั้นแล้วประกอบกับรพระบางพวกเนี่ยกระ บ, บุญแล้วแกต้องการเป็นใหญ่แกไม่ต้องการเป็นลูกน้องใครมันก็มีสมัครพระพวกก็ช่วยกันไปสร้างวัดสร้างวาก็อยู่กันไปเป็นสำนักสงฆ์ในที่ต่างๆแล้ ว, วก็พวกที่ศรัทธารุ่วมสายร่วมผลประโยชน์กันเขาก็มาเข้าสนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้นมันเป็นเรื่องห้ามยาก เพราะว่ า, าศาสนาอื่นเนี่ยเขาไม่มีกฎเกณฑ์ในการห้ามอะไรเลยนะฮะเจ้ของเราก็มีกฎเกณฑ์อะไรวาไวา้เยอะพื้นที่ตารางวาอะไรต่อไรเนี่ยเป็นไร่กี่ไร่หกไร่เก้าไร่อะไรต่อไรเนี่ยของาศาสนาอื่นเขาไม่มีฮะเขาไม่มีกฎเกณฑ์ในการห้ามอะไรกี่ตารางวาก็ทําได้ดงั้นโอกาสในการเผยแผ่าศาสนาเนี่ย บางทีสำนักสงฆ์เหล่านี้ก็มีความจำเป็นแต่ว่าพระควรจะผ่านการศึกษาอบรมมาตามสมควรหรือไม่ใช่มาอยู่พอบวชปั๊บแล้วก็กลายเป็นคนรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่กันเองอย่างนี้ความเสื่อมเสียก็อาจจะเกิดขึ้นแก่พระศาสนาแก่หมู่คณะได้กว่าแทงกรรมมีกี่ข้ออะไรบ้างนะฮะก็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 กรรมที่นำให้เกิดกรรมที่อุปถัมภ์กรรมที่ทาลายผลกรรมกรรมที่เบียนผลกรรมเก่ากรรมที่ทำให้เกิดแล้วกรรมที่ตัดอิทธิพลของกรรมเก่าแล้วมาให้ผลใช่เองหรือว่าให้ผลในชาติปัจจุบันให้ผลในลชาติต่อไปให้ผมในพรชาติต่อไปล้วเป็นอโหสิกรรมกรรมหนักกรรมเพราลงมากรรมสักแตว่ว่าทะแล้วก็ กรรมเมื่อจวนจะตายเนี่ยก็มีการจําแนกแสดงไว้มากคือไม่ทราบประถามเรื่องตรงไหนคือคือถามไม่ชัดน่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ตอบกรรมประเภทไหนแต่ว่ากรรมหลักที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยก็ห้าหลักนะฮะแล้วกล่าวโดยสรุปว่าใครทํากรรมอนไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเปผู้รับผลกรรมนั้น คนต่อไปถามว่ากรรมตามทันคืออะไรหมายความว่า เ, ออเช่นคนไปฆ่าคนมาแล้วก็ตัวเองถูกฆ่าเนี่ยเขาถือว่ากรรมตามทันหรือรักของมาแล้วถูกจับได้เนี่ยถือว่ากรรมตามทันแต่ว่าเจตนารักเนี่ยมันแรงกว่าคื อ, อยังให้ผลนานขึนไปกว่านั้น สิ่งที่เรารักมาอาจจะหมดไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเจตนารักเนี่ยมันเป็นบาปกรรมที่ตามแผดเผาเราไปอีกนานเออหมายความว่าทําอะไรแล้วได้รับผลตามที่เรากระทาเอาไว้เนี่ยกรรมตามทานอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้นะเขาไม่ได้จอดจงไว้ต้องเป็นกรรมไม่ดีจะเรียกว่ากรรมตามมาให้ผลแก่บุคคลเหล่านั้นาตามตควรแก่กรรมที่เขาได้กระทําเอาไว้ การให้ทรมาเป็นทานคืออย่างไรครูสอนนักเรียนเป็นการให้ทำเป็นทานหรือไม่ก็ใช่นะรนี่ก็สอปอลรหรันทัยคือว่าการให้วิชาความรู้ทั้งหลายโดยเจตนาที่จะเป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนที่เราให้นะไม่ใช่ขายวิชานะพรัะวันครูเนี่ยสามารถจะ เราลองจิตปัญญาในการทํางานให้เป็นเขาเรียกว่าทั้งบุญทั้งคุณแล้วความเมตตคุณก็คือความรู้ที่นักเรียนจะได้รับแล้วก็บุญก็คือเจตนาที่เราให้ทานแก่นักเรียนเนี่ยให้ธรรมะเป็นทานให้วิญญาณทั้งหลายเป็นเป็นทางแก่นักเรียนชนะการให้ทั้งปวงก็ต่อไปธรรมะการทําบุญพัญญาทําบุญส่วนบุญจะได้ถึงสามีและลูกหรือไม่ อันนี้สามีกับลูกต้องอนุโมทนานะ่ะแม้จะเป็นเรื่องในครอบครัวเดียวกันก็ตามแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับรู้เลยแล้วต้องการสวยผลบุญเฉยๆมาเป็นไปไม่ได้อนะ่ะมันเหมือนกับกินข้าวต้องกินด้วยกันนะจะอิ่มด้วยกันเนี่ยวันการทําบุญทําบาปเนะี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นคนอื่นต้องการมีส่วนร่วมก็ต้องอนุโมทนาเขา ไปมีส่วนร่วมในการทาบุญกับเขานะไม่ต้องทาร่วมําบาปกับเขาหรอกเราจริงได้รับส่วนบุญอนนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเรื่องของมาคามนกมาคมนกเนี่ยเขามีพัญญาสี่คนในสี่คนเนี่ยเมื่อมาคมนุกทําบุญกุศล ส, สั่งสาลาบําเพ็ญกุศล ส, สาธารณะสั่งถนนแปา้าฐานขนทางต่างๆนี่ให้คนได้ พักพาอาศัยเนี่ยปัญญาคนหนึ่งก็สร้างโชคฟ้าคนหนึ่งก็สร้างสระคนหนึ่งก็สร้างสวนร่วมบุญกันเพื่อคนที่มาศาลาจะได้อาบน้ําจะได้ดื่มน้ําจะได้ อ, อชมสวนต่างๆก็ทําให้ได้ร่วมบุญกับสามีตัวตายไปแล้วสามีไปเกิดเป็นเท่าสกาัดเทวราชปัญญาสามคน ที่คนหนึ่งสร้างโชกไฟคนหนึ่งสร้างสระคนหนึ่งสร้างสวนย์เนี่ยก็บังเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ด้วยกันแต่ปัญญานคนหนึ่งนั้นก็ถือว่าสามีธรรมและตัวเองก็ต้องได้ด้วยและไม่ทำมีตกแต่งร่างกายประดับประดายเกิดความสวยงามอยู่ผลโรหิตตายไปเกิดเป็นหนงางนกอย่างนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเฉพาะคนคนนั้นมันเหมือนกระทําถูกทาผิดในชีวิตประจําวันของเราในเป็นเรื่องของคนคนนั้นโดยเฉพาะ ไม่ใไม่ใช่ว่าสามีทาแล้วัญยาจะต้องได้รับด้วยลูกจะต้องได้รับด้วยสามีไปฆ่าคนตายต้องเอาฟัญญาเอลู ก, กติดคุกด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะ้ยแต่ถ้าคนหนึ่งทาแล้วคนหนึ่งอันโมทนาคนหนึ่งช่วยเหลืออะไรอะไรเนี่ยก็ได้ด้วยกันขอข้อชี้แนะในการบิดาตนในแนวทางใจพระในกายคนพอเป็นสังเกตนะครับ เจ้าพในกายคนก็คือใจที่มันประเสริฐร่างกายของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเช่นสมมติใจเรามีฮิริโอต ป, ปะใจเรามีศรัทธามีมีศีลมีการศึกษาเรียนรู้มีจาคะมีปัญญาหมายความว่าใจเรามีธรรมะก็แล้วกันเนะี่ยใจเรามีธรรมะมใจก็เป็นคระ ก็อยู่ในกายคนเราจะเป็นอะไรก็ได้เช่นบัจจัยมีพรมิหารสีมีอิทธิบาทสีอย่างเงี้ยก็เป็นใจพระในกายคนเวลาแสดงออกไปออกอะไรอะแสดงอะไรออกไปก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและแกบุคคลอื่นมีความเชื่อว่าวิญ ญ, ญาณมีจริงทราบจากผู้รู้ว่าขณะที่เราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวิ ญ, ญญาณที่มีทุกขได้มาฟังธรรมะ ที่เราสวดมนต์ทุกครั้งตามเวลาที่เราปฏิบัติอยากทราบว่าบินแานเหล่านั้นได้อะไรจากการปฏิบัติของเราเราได้อานิสงส์อะไรจากบินแานเหล่านั้นคือในกรณีถ้ามีจริงนะฮะบางทีมก็มีจริงบางทีมันก็ไม่มีแต่ว่าส่วนมากมันก็มีบ้างนะครับมากหรือน้อยเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเขามาฟังเนี่ยเขาอันโมทนาเขาก็ได้บุญ เพันเวลาพระสวดมนต์จึงก็เรียกว่ามีที่พระองค์ที่สามที่เขาเขาเรียกขัดสมันตาจักรวาเลสุนะเนี่ยก็เรียกชุมนุมเทวดาคือเชิญเทวดามาความธรรมเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติทีนี้เทวดาเขาก็ได้นะฮะปีแางเทวดาเขาก็ได้แต่ว่าเราได้ความเป็นมิตรนะฮะจากเทวดาเหล่านั้นได้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือเขาก็จำเนื่องคุณเราที่เราได้ เป็นเหตุให้เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลต่อไปแล้วเขาก็มีปัญหาอะไรขึ้นมานะฮะอยู่ในวิสัยที่เขาช่วยได้เขาก็ช่วยวันในที่เรียกว่าเราจะเริ์มเมตตาแล้วเนี่ยนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาจะให้การคุ้มครองรักษาสราระวุธเครื่องประหารยาพิษไฟนี่ไม่สามารถทําอันตรายได้มันก็เป็นผลจากการคุ้มครองรักษาของเมตตาแลว้วก็ของเทวดาที่ในรูปบุญร่งกุศลกับเราตามทุกคนแกน่กันนีนะะก็แล้วแต่กนันนีอะไรทุกครั้งที่นอนก่อนที่เราหลับเรารู้สึกเหมือนสะดุ้งตกใจก่อนที่เราจะหลับทุกครั้ง เหมือนจิตเราออกทำอย่างไรจรึงจะไม่สะดุ้งหรือผวาอันนี้คงไม่ทุกครั้งแล้วนะแต่มันก็เป็นไปได้บางครั้งบางคราวเนี่ยมันมีอะไรที่ตกค้างอยู่ภายในใจแล้วเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญพอนอนไปเครื่องไปเรื่องนั้นน่มันเกิดขึ้นสู่จิตมันก็ตกให้จิตตื่นขึ้นมาก็ พยายามทำงานต่างๆให้สำเร็จเรียบร้อยอย่าให้มีสนิมใจอย่าให้มีมลทินใจที่ต้องห่วงใจจะต้องมีตกกังวลในสุดก็จะหา ย, หายไปเองอยากให้คนยากอยาให้แนะนำลูกยังเล็กชอบด่าแม่สามขวบจะแก้ไขอย่างไรสอนให้ไม่นานก็ได้อีกไอ้นี้จะต้องพูดพูดกับเธอนะฮะแล้วก็อาจจะต้อง ทำอะไรให้เธอรู้สึกว่าถ้าด่าแล้วเนี่ยมันตัวเองเสียหายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยเช่นเคยให้ขนมก็ไม่ให้ว่าถ้าด่าต่อไปจะไม่ให้หรือบางทีก็อาจจะแต่ว่าต้องคุยไปด้วยนะแล้วก็ปล่อยให้ด่าไปด้วยเพราะบางทีเด็กแกไม่ประสีภาษาไม่ประสีภาษาเด็กก็ไร้เดียงสาเนี่ยฮะก็ไม่ประสีภาษาแต่ว่าถ้าปล่อยให้ด่าจนชินก็ยากนะฮะ จำเป็นจะต้องส้างสร้างสรรชาติยานใหม่คือว่าถ้าด่าแล้วต้องรับโทษอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นไม่มาไปเที่ยวไม่ให้ตั้งไม่ให้กินขนมไม่ให้ตุ๊ ก, กตาอะไรแต่ไรเนี่ยคือเด็กเนี่ยมันต้องขู่ให้กลัวกับยั่วยา่เอาถ้าลูกไม่ดา่าต่อไปแม่จะให้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตกลงกันนะ เอาพิสูจน์ดูสามวันห้าวันท้าไม่ดาเดี๋ยวจะให้ตุกตาจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโ น, น้นเดีจะอะไรคือล่อโดยผลประโยชน์หรือไม่งั้นก็ขู่ให้กลัวแล้วก็ทําอาจจะพวกกันไปทั้งสองอย่างก็ได้บางการณีก็ขูข่ให้กลัวบางการณีก็ยั่วยุเขาอยากเด็กก็อยากได้นะคือการทำความดีแบบเด็กมันต้องจาง้างหวาหรือขู่ให้กลัวลนั้นเอง ทำอย่างอื่นก็ทำยากนะการสะดอะเคราะห์เราควรทำเมื่อไรและทำเพื่ออะไรก็ไม่ควรทำ น, นะก็ไม่รู้ทำอะไรเพื่ออะไรคือเคราะหะรมันอยู่ที่ว่าเราทำความชั่วเนี่ยเราสะดอกเคราะห์ไม่ได้เราทำความดีไม่มีเคราะห์ให้สะดอกเพรา ะ, ะนันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสะดอกเคราะอะไรมัน เป็นเรื่องความเชื่อถือเป็นระดับขวัญกำลังใจของคนบางกลุ่มนะฮะที่มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมาทำอย่างนั้นแล้วก็จะดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นท่านก็ท่านก็ทําไปแต่ว่าเรามองกันโดยเหตุโดยผลเนะถ้าหากว่าครอบสะเดาะกันได้คนก็ไม่มีทุกขน์ในโลกนี้มีอะไรก็สะเดาะมีอะไรก็สะเดาะมีอะไรก็สะเดาะก็สบายคนก็มีทุกข์หมดมีสุขกันหมดมันไม่มีเหตุผลอยู่ในตัวของมานะันอะ เดีได้เราสาวไปตลอดแล้วเห็นว่าเออมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ควรแก่การเชื่อถือควรแก่การเอาจริงเอาจังกับ เ, เรื่องเหล่านี้การที่ชาวบ้านทั่วไปกล่าวว่าถูกปีอํานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอะไรถ้าลองสังเกตนะเราจะนอนง่ายแล้วเท้าเราจะพาดกันแล้วไปทับเส้นแล้วมันเกิดลมเดินไม่จะไม่สะดวูลมมันก็ข้างอยู่ วันเสร็จแล้วพอเรารู้สึกปีอัมเราขยับมือขยับเท้าไม่ได้เราก็ดิ้นไปดิ้นมานะถ้าเราที่มันภาคกันเนี่ยมันขยับลมก็เดินได้มันก็หายก็เคยสังเกตนะเคยสังเกตมานานนะก็ก็ดูพอรู้สึกว่าลักษณะอย่างนี้ก็ดูแกรก็ก็เห็นอย่างนั้นทุกทีแต่ยังไม่เคยถามที่เกี่ยวกับเมืองทางแพทย์นะครับเขาเขาเขว่าอย่างไงก็มีความรู้สึกกันอย่างไร ดการนังแพทย์าการดังอัจฉริยจริงๆเนี่ยคืออะไรตนนอนรงกับคือบ้านถูกผีออมตลอดทุกครั้งจริงหรือไม่ไม่จริงอะ่ะนิทานการทําบุญตักบาตตอนเช้ากับพระภิกษุสา ม, มเณรและการทําบุญกับคนอื่นทั่วไปที่ไม่ใช่พระจะได้บุญหรือไม่ก็ได้บุญด้วยกันนะครับได้บุญด้วยกันทั้งนั้นแหละ แต่ว่าบุญจะมากจะน้อยเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งปัญหาคือผู้รับอยู่ในศีลในธรรมหรือไม่ผู้ให้อยู่ในศีลในธรรมหรือไม่แล้วพรสองที่ได้มาเนี่ยบริสุทธิ์หรือไม่แล้วก็เจตนาในดีหรือไม่มันก็ต้องมองทั้งสี่อย่างนะมองทั้งสี่อย่างให้ครบสี่อย่างก็ลองดูแล้วเราจะเห็นว่าพิสูจสามมณี น, นั่ยนยังไงเขาก็มีศีล ตการทําบุญตักบาแก่ภิกษุสําเณรก็ได้บุญมากกว่าที่ทาบุญกับชาวบ้านคนทำบุญกับชาวบ้านก็ได้นะนะฮะไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่ามันก็ได้น้อยลงมาข้อต่อไปถามว่าพระเถเรซชั้นผู้ใหญ่กับพระผู้น้อยใช้ศีลกับข้อบังคับของสงฆ์เหมือนกันเล่นเดียวกันหรือไม่ก็เล่นเดียวกันนะั่นนะ ถ้าเล่นเดียวกันทำไมการสอนวินัยนาโทษซึ่งไม่เหมือนกันทั้งทงที่รู้ว่าผิดไม่หรอกอ๋อนำโทษหรือทำโทษเนี่ยมันน่าจะถ้าเล่นเดียวกันทำไมการสอบวินัยทาโทษจึงไม่เหมือนกันทั้งทางที่รู้ว่าผิ ด, นน ด, นนผดคือถ้าผิดด้วยกันมันก็ผิดะนะแต่ปัญหาในกระบวนการตรงนี้เราไม่รู้รายละเอียด เราไม่รู้รายละเอียดว่าใครผิดใครถูกเน่เราไปใช้กระแสความรู้สึกเอาไม่ได้เพราะว่าข้อมูลเนี่ยเขามีข้อมูลท่านที่มีหน้าที่สอบสวนเยท่านมีข้อมูลแต่เราไม่มีข้อมูล เ, เราไม่รู้ว่จริงๆเนี่ยใครผิดใครถูกแต่ว่ามาตรฐานวัดเนี่ยมันเป็นวินัยเล่นเดียวกันผิดวินัยก็คือผิดวินัยต้องอบัตก็คือต้องอบัตมันไม่อยู่ที่ใครแต่ว่าอยู่ที่อะไรอย่างไร ถาขัประลาชิก ค, คืออะไรต่อพระเจ้าเจนก็ประลาชิกแปลว่าพ่ายแพ้นะฮะปราชัยคือแพ้ใจตัวเองไม่สามารถปฏิบัติอยู่ตามศีลที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้สีข้อได้ก็คือหนึ่งก็เสพนท่ถุน่ะเอาพูดง่ายๆว่าเสพไม่ถุนจะกับผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามจะสัตว์ก็ตามจะอะไรก็ตามนวันหนักทวันเบาทวานาัวนปากนะฮะแล้วก็ ถ้าคนให้ตายรักทรัพย์แล้วก็พูดอวดยกย่องตัวเองเป็นพระยะต่างๆได้ชานได้สมาบัติได้ศีลอะไรอะไรก็ว่ากันไปนี่ก็ถือว่าเป็นประชิกแปลว่าแพ้ตัวเองนะฮะที่จริงเป็นเรื่องบาปกรรมส่วนตัวของท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรอกแต่ว่าชาวบ้านมากักจะเป็นเรื่องเป็นราวของตัวเองทั้งทงที่ว่าจริงแล้วก็เป็นเรื่องเจาพาะตัว บุคคลคนนั้นที่ท่านประราชิกเนี่ยพระจับเงินมีมือถือมีอะไรอ่ะมีรถผิดหรือไม่เอ่อถึงขั้นใดเพราะสมัยพุทธกาลไม่มีสิ่งเหล่านั้นอ๋อถ้พูดอย่างนั้นก็พระก็ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นั่งรถยนต์ไม่ได้นั่งรถไฟไม่ได้ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะสมัยพุทธกาลไม่มีทั้งนั้นนะ ถ้าหนอนขอนปีกก็ไม่มีก็เดินไม่ได้กูตีมุมกระเบื้องก็ไม่มีก็มันมันไม่ได้เหรอพูดอย่างนั้นได้ไงมันมีหลักเกณฑ์ของเขามีหลักเกณฑ์ของเขาเราต้องจับประเด็นว่าจับเงินเนี่ยมันยังจับไม่ได้อยอะนะมือถือเนี่ยมันเป็นเครื่องใช้สื่อสารเครื่องทุ่นแรงในการสื่อสารเฉยๆมันเหมือนกับไมโครโฟนมันเหมือนกันอะไรทั้งหลายนี่นะก็จะมีก็ได้ก็ไม่มีกไม็ไม่มีก็ไม่ว่าอะไร มีรถรถมันก็เป็นยานพาหนะมันสมัยหนึ่งก็มีเรือไงมีเรือได้มันก็มีรถได้เป็นยานพาหนะที่จะไปไหนมาไหนคือพระที่มีรถเนี่ยมันเป็นเรื่องญาติโยมเขาเขียนว่าพระองค์นั้นมีงานพระศาสนามากแล้วก็เดินทางไกลไปบ่อยเขาก็เป็นห่วงใหญ่เขาก็จัดหารถมาให้ก็รถก็อยู่ในน้ำเขานั่นแหละไปขอเท้ถวายพระให้ใช้ นะบางพระบางองค์ที่มีความตําคัญมากๆในรถเป็นสิบๆคันเลยคนเอาไปถวายท่านก็เป็นห่วงครูบาอาจารย์เขามันเป็นเรื่องศรัทธาแต่ว่ามันไม่ใช่ขึ้นทะเบียนเป็นของท่านหรอกเจ้าของจริงๆก็คือเจ้าของเขาเวลาประกันมันขึ้นประกันได้อะไรๆก็เจ้าของก็ไวไ้ไปประกันเขาเองก็ทําเขาเองต่อทะเบงทะเบียนเนี่าก็ทำเขาเองแต่ว่าเขาเอามาให้อาจารย์ก็ใช้และนี้เราต้องมองนะฮะว่า ถ้าต้องดีนะฮะถ้าไม่ดีไม่มีรถหรอกไม่มีรถเรจะเอารถมาจากไหนคนก็ถวายนะฮะรถเนี่ยให้ความสะดวกแล้วว่ากันตามความจริงเนี่ยเวลานี้อย่างยกตัวอย่างอาตมาเองเนี่ยอาตมาต้องไปบรรยายในยที่ต่างๆเนี่ยไปเข้ารลกเข้าคงเข้าป่าอะไรแต่ไรไปถ้าเราไม่มีรถเไปยังไงยังนึกไม่ออกว่าไปยังไง แล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมหาศาลเลยนะะสมมุติว่าเราไม่มีรถเราต้องมีเด็กขึ้นรถ ล, ลุงเรือล่องขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ต่อรถนั้นขึ้นรถนี้ต่อรถนั้นขึ้นรถ น, นี้ก็ไม่ทันกันพอดีทํา ง, งานไม่ได้เลยนะยุคสมัยตรงเนี้ยเพราะว่าเวลานี้มันไปเทศมันไปกันไกลล้าเกนะินเดินทางกันเป็นจังหวัดจังหวัดร้อยกิโลสองร้อยกิโลเจ็ดร้อยกิโลแปดร้อยกิโลไปกันขนาดนั้นนะ่ะไปเครื่องบินไปได้เนี่ย เมื่ต้องมีรถมารับมีเครื่องบินนั่งไปจึงจะไปทำงานได้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเรามาคิดแบบแบบอย่างนั้นมันก็ถ้าทื่อเอาสมัยพุทธกาลต้องอยู่ในป่าอย่างเดียวสิ่นนี้เขาพระพุทธเจ้านี้ทรงวางกฎเกณฑ์เอาไว้แล้วนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็มีหลักอ้างอิงก็เรียกมหาประเทศคือมาเทียบเคียงมาอ้างอิง ดูได้ว่าอย่างเนี้ยสงห้ามไว้อย่างนี้สงอนุญาตไว้เราก็ตรวจสอบกันก่อนแล้วผ้าในวงผ้าในของใหม่ๆเกิดขึ้นนี่จะมีการตรวจสอบกันแล้วว่าอะไรปฏิบัติได้หรือไม่ได้คดีพระธรรมชโยกับพระยันตระดําเนินการไปถึงไหนแล้วพระธรรมชโยนั้นก็อยู่ในศาลชั้นต้นนะฮะกำลังอยู่ในศาลชั้นต้นยันตระนั้นมันมีปัญหาที่ว่าเขาให้ศึกให้สลักสนานักเพศไปแล้ว แล้วเขาก็บวชใหม่ไปแล้วแล้วก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อาจจะได้ซิเทเซนแล้วก็ได้นะอาจจะได้กรีนการ์ดได้ก็ได้แล้วก็ไปอยู่ของเขาอะนะเราไปยุ่งอะไรกับเขาก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบในตัวของเขาเองคือทั้งหมดเนี่ยมันต้องสารนิฐานไว้ก่อนว่าจํำเลยบริสุทธิ์ วันมหาเทวสมาคมที่ท่านตัดสินนี่ยท่านไม่ตัดสิน อ, อป็นราชิกนะฮะท่านให้หลาสล่าสำนักเทศไฟเพราะว่ามันสาวมันเรื่องเอาป็นราชิกนี่ไปตัดสินก็ป็นราชิกแต่เขาไม่เป็นนี่เราต้องอบัตเองนะพระนี่มันจะเรื่องทําได้ง่ายๆเพราะวั้นถ้าไม่ชัดเจนแจมแจ้งแล้วเนี่ยใครไม่กล้าตัดสินน้อปรับป็นราชิกคนอื่นเนี่ยเขไม่กล้าตัดสินนะตัดสินเโดน อ, นอบัตเองเพราะงั้น ธรรมชโยก็เหมือนกันนะฮะมันเป็นการฟ้องในตำแหน่งเจ้าวาซึ่งมีคนถวายที่ดินแล้วก็ท่านรับไว้ในนามของท่านซึ่งอาตมายังนึกว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็มันก็จบไปนะศาลก็ยกฟ้องไปก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเขาก็มีมือกฎหมายที่เขาทำงานได้ตามกฎหมายเขา นะคงจะมีที่ปรึกษากฎหมายมีความจำานื้อำนามีความรอบรู้พอสมควรแหละเพราะะั้นพอถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าเจ้าเกันไปอ่ะแต่ว่าศาสนาก็กระเทือนเยอะนะฮะเรื่องสองท่านเนี่ยกระเทือนเยอะมากต่อเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรที่ทางคณะสงฆ์กาหนดเอาไว้ด้วยกันทั้งคู่ จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะคิดผัวเรียนเอาเองคิดเัาเองแต่ตัดสินใจเอาเองจะทําอะไรตามอาเภอใจของตัวเองได้ในบางเรื่องก็มีปัญหาเหมือนกันทพิ่งฟังทั้งหลายแต่หลวงปู่อุทยานในวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาแบบ น, นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอองามไปบูรณนธรรมยัมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี